พระไตรปิฎกเล่มที่สิบอพระสูตรที่สามจักกวัตติสูตรข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิและวิวัฒนาการความเสื่อมและความเจริญของโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองมาตุลาแควนค้นมคตณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง จงมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดธรรมะอันเป็นที่พึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการคือพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงประพฤติธธ ร, รมอันเป็นอารมณ์กรรมฐานของภิกษุมานจะไม่ได้โอกาสภิกษุทั้งหลายบุญนี้ย่อมเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะการสมทานกุศลธรรมเป็นเหตุเรื่องพระเจ้าจากักรพรรดิทันหเนมิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจากักรพรรดิ พระนามว่าทันะเนมิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการพระเจ้าทันะเนมิรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าถ้าเห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแกเราทันทีเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีราชบุรุษนั้นเห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งจึงเข้าไปฝาเฝ้าเท้าเธอ แล้วกราบทูลให้ทรงทราบลำดับนั้นเท้าเธอรับสั่งเรียกพระราชโอรสองคใหญ่มาตรัสว่าพ่อได้ยินมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพของพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งนาบาัดนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานการทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้ว บัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะสแสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพย์ลูกจงปกครองแผ่นดินนี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในที่นี้หมายถึงบวชเป็นดาบดหรือฤาษีภิกษุทั้งหลายรันพระเจ้าทันหาเนมิทรงสั่งสอนพระกูมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ ในเรื่องการคลองราดเรียบร้อยแล้วเสด็จออกจากพระราชวังพนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชฤาษีพนวดได้เจ็ดวันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรทานไปเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรทานหายไปแล้วพระราชโอรสซึ่งบัดนี้ได้ขึ้นคลองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงเสียพระไทยเสด็จเข้าไปหาพระราชฤาษีผู้เป็นพระราชบิดากราบทูลให้ทรงทราบ ครั้งนั้นพระราชนิเสจึงตรัสปลอบว่าอย่าเสียใจไปเลยด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นสมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากปีดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤตจั ก, กรวัดวัดอันประเสริฐคือสนานพระเสียรในวันอุโบสถส5บหาคำ่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามจากปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ จักรวัดวัดอันประเสริฐวัดหรือข้อประพฤติปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิครั้งนั้นพระราชาองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระราชโอรสได้กราบทูลถามพระราชรฤาษีถึงจักรวัดยุวัดอันประเสริฐนั้นพระราชรฤาษีตรัสตอบว่าหนึ่งจงอาศัยธรรมะสักการะเคารพนับถือธรรมะ ให้ความคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่มนุษย์และสัตว์ในปกครองทั้งหมดไม่ยอมให้ผู้อันทำรรเป็นอธรรมกระทําสิ่งที่ผิดแบบแผนอย่าได้เป็นไปในแว่นแคว้นธรรมะในที่นี้หมายถึงอกุศ ล, ลกรรมบทสิบประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือของของคนอื่นความมีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิ 2. ผู้ใดไม่มีทรัพย์ก็มอบทรัพย์ให้ในข้อนี้เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสงเคราะห์ให้เขามีอาชีพการงานทำเลี้ยงตัวเองได้ สเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติคือความอดทนโสระจะความสงบสงเสงียมและถามถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสพไม่ควรเสพอะไรทําเข้าเป็นไปเพื่อเสียประโยชน์เพื่อทุก์ตลอดกาลนานอะไรทําเข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานเมื่อฟังแล้ว ก็รับเอาสิ่งที่เป็นกุศลมาประพฤตินี้แหละคือวัดอันประเสริฐของพระเจ้าจั ก, กรพรรดนั้นเมื่อพระราชาผู้เป็นราชบุตรกระทําตามจากแก้วก็ปรากฏขึ้นตามที่พระราชนรสีทรงกล่าวไว้พระราชาจึงทรงถือน้ำเต้าด้วยพระหัตถ์ซ้ายทรงหมุนจากแก้วไปด้วยพระหัตถ์เบื้องขวารับสั่งว่า จากแก้วอันเจริญจงหมุนเถิดจงมีชัยเถิดแล้ยกกองทัพมีองค์สี่ติดตามไปทั้งสิ้นจนจดสมุดสั่งสอนพระราชาในทิศนั้นๆให้ตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วมอบให้ครอบครองสมบัติต่อไปตามเดิมเมื่อได้ชัยชนะทั้งสี่ทิศแล้วก็เสด็จกลับสู่ราชธานีตามเดิม พระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระองค์ที่สองสามสี่ห้าหกและที่เจ็ดก็ส่งประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจนมาถึงพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่เจ็ดเมื่อออกผนวดและมอบราชาสมบัติแก่พระราชาโอรสแล้วจากแก้วก็อันตรธานหายไปพวกอมาตะราชบริพารก็ถวายคำแนะนำเรื่องวัดของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแด่พระราชาองค์ที่แปดเท้าเธอได้ฟังคาทูลตอบของพวกเขาแล้ว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 เลี้ยงมารดาบิดาบุตรพันยาประกอบการงานและบำรุงสมณราม์ต่อมามีคนลักทรัพย์ของผู้อื่นและถูกจับได้อีกทรงไต่สวนได้ความจริงอย่างเดิมก็พระราชทานทรัพย์อีกข่าวก็ลือกันไปว่าถ้าใครลักทรัพย์ก็จะได้พระราชทานทรัพย์คนก็ลักทรัพย์กันมากขึ้นต่อมาราชบุรุษจับคนลักทรัพย์ได้อีก แต่คราวนี้พระราชาทรงเกรงว่าถ้าพระราชทานทรัพย์การลักทรัพย์อีกก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นจึงตรัสสั่งให้มัดโกนสีสักพาตระเวงไปตามถนนเพื่อประจานให้เห็นไม่ให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่างแล้วประหารชีวิตโดยตัดสีสักเพราะความที่คนยังยากจนอยู่แต่ไม่รู้จะแสวงหาทรัพย์ที่ไหนได้จึงยังคงต้องลักทรัพย์ต่อไป แต่เพื่อไม่ให้โดนจับไปประหารก็พากันสร้างสตราอันคมขึ้นและคิดว่าถ้าลักทรัพย์ใครก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ทิ้งซะเพื่อปิดปากต่อมาจึงเกิดการปล้นหมู่บ้านนิคมนครและการปล้นในหนทางภิกษุทั้งหลายเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ในข้อนี้รวมหมายถึง ไม่จัดการเรื่องสังคมสงเคราะห์สร้างอาชีพให้ประชาชนมีอยู่มีกินมีงานทามีไรายได้เลี้ยงตัวไม่ใช่สักแต่แจกเงินให้อย่างเดียวเพราะไม่เช่นนั้นแจกเท่าไหร่ก็คงไม่พอเหมือนสำนวนในปัจจุบันที่กล่าวกันว่านักการเมืองแจกปลาพระราชาสอนจับปลาวิธีแก้ปัญหาความยากจนที่จริงคือการช่วยให้คนมีอยู่มีกินด้วยการหาเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ใช่การแจกเมื่อความขัดสวนแพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายเมื่ออธินนาทานแพร่หลายคือการรับทรัพย์แพร่หลายปานาติบาตคือการฆ่าก็แพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างมนุษย์ในยุคนั้นเดิมทีมีอายุไขัยแปดหมื่นปี เมื่อเกิดมีการฆ่าและขโมยบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 80,000 ่นปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือสี่หมื่นปีเมื่อมนุษย์มีอายุไข4 0สี่หมปีด้วยเหตุจากความขัดสนจึงเกิดการขโมยเกิดการฆ่าต่อมาจึงเป็นเหตุให้เกิดการพูดเท็จเมื่อมูสาวาจหรือการพูดเท็จแพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุขสี่หมนปีก็มีอายุขถอยลง เหลือสองมืนปีเมื่อมนุษย์มีอายุไข 20, ัสองมืนปีเมื่อมูสาวาจคือการพูดเท็จแพร่หลายปิสุณะวาจาการพูดส่อเสียดก็แพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 20, ัสองมืนปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือหนึ่งปีเมื่อมนุษย์มีอายุหนึ่งมื่นปีมนุษย์บางพวกมีวันณะดีบางพวกมีวันณะไม่ดีพวกที่มีวันณะดี ก็เพ่งเล็งพวกที่มีวันนะดีประพฤติล่วงละเมิดในพัญญาของคนอื่นกาเมสุมิชาจารย์แพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข1 0หนึ่งมปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือเพียง 5,000 ันปีเมื่อมนุษย์มีอายุข 5,000 ันปีธรรมะสองประการคือพรุสวาจาการพูดคำหยาบและสัมผัสปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อก็แพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 5,000 ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 2,500 ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 2,000 ปีเมื่อมนุษย์มีอายุไข 2,500 ปีอภพิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นและพยาบาทความคิดร้ายก็แพร่หลาย บุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข 2,500 ปีก็มีอายุไขถอยลงเหลือ 1,000 ปีเมื่อมนุษย์มีอายุไข 1,000 ปีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็แพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิแพร่หลายคนเหล่านั้นก็มีอายุเสื่อมถอยบ้างมีวันณะเสื่อมถอยบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ 1,000 ปีก็มีอายุขถอยลงเหลือ500ปี ภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไข5 0ห้าร้อยปีธรรมะสามประการคืออธรรมราคะความกำหนัดที่ผิดธรรมหมายถึงความกำหนัดในบุคคลที่ไม่สมควรกำหนัดเช่นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องวิสมะโลภะความโลภจัดหมายถึงความโลภที่รุนแรงละมิชฉาธรรมธรรมในที่นี้สะกดเดียวกับคำว่าธรรมะนะครับ และมิจฉาธรรมความกำหนัดผิดธรรมชาติหมายถึงความกำหนัดที่ชายมีต่อชายและที่ผู้หญิงมีต่อผู้หญิงเมื่อธรรมะสามประการเหล่านี้แพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขห้าร้อปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ250ปีบางพวกก็มีอายุไขถอยลงเหลือ200ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข250ปีธรรมะเหล่านี้คือความไม่เกื้อกูลมารดาบิดาและสมณารามการไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็แพร่หลายบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข250อปีก็มีอายุขัถอยลงเหลือหนึ่งรยปีภิกษุทั้งหลายจะมีสมัยที่บุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุข10ิปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข1สิบปีเด็กหญิงอายุห้าปีก็มีสามีได้ในเมื่อมนุษย์มีอายุไข1สิบปีรสเหล่านี้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและเกลือจากอันตรธานไปสิน้นในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปีหญ้ากับแก่หรือหญ้าตุ๊กแก่ซึ่งเป็นหญ้าชนิดหนึ่งจะเป็นอาหารอย่างดี ภิกษุทั้งหลายข้าวสาลีเนื้อและข้าวสุกเป็นอาหารอย่างดีในบบบนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุขัยสิบปีย่ากับแก่หรือย่าตุกแก่ก็จะเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นในเมื่อมนุษย์มีอายุขัยสิบปีกุศลกรรมบทสิบจักอันตรธานไปหมดสิน้นอกุศลกรรมบทสิบจักเจริญรุ่งเรือง ข้อนี้หมายถึงการทำความดีจะหายไปหมดสิ้นและการทำความชั่วจะรุ่งเรืองในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปีแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จะไม่มีและคนที่ทำกุศลจะมีแต่ที่ไหนในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปีมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่เกือ้อกูลมารดาบิดาสมณะและพรามก็จะได้รับการบูชา และได้รับการสรรเสริญคือคนทำชั่วจะได้รับการสรรเสริญชื่นชมนั่นเองในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุขายสิบปีพวกเขาจะไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่านี่คือแม่นี่คือป้านี่คือนา้านี่คือพัญญาของอาจารย์สัตว์โลกจะถึงความสมสู่ปะปนกันหมดเป็นเสมือนสัตว์เดรัจฉานฉชนั้น ในเมื่อมนุษย์มีอายุไขสิบปีมนุษย์เหล่านั้นก็จะเกิดความอาฆาตและพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้าแม้ในแม่กับลูกพี่กับน้องก็ตามภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุไขยสิบปีจะมีสัทธันตระกับแปลว่าอันตรกับพิ่นาาพระสัตราจะมีสัทธันตระกับตลอดเจ็ดวัน มนุษย์เหล่านั้นจะฆ่ากันเองเพราะเกิดความเข้าใจในการละกันว่าเป็นสัตว์ครั้งนั้นมนุษย์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดว่าพวกเราอย่าฆ่าใครๆและใครๆก็อย่าฆ่าพวกเราทางที่ดีเราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสมทุมพุ่มไม้ปาม่าไม้เกาะกลางแม่น้าหรือซอกเขาใช้รากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีพ เมื่อล่วงไปเจ็ดวันพวกเขาพากันออกจากที่ซ่อนแล้วต่างสวมกอดกันและกันหลอบใจกันภิกษุททั้งหลายลำดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นจะปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกเราสูญสิ้นญาติมากมายเช่นนี้เพราะยึดถืออกุศ ล, ละธรรมเป็นเหตุทางที่ดีพวกเราควรทำกุศลแล้วจึงพากันงดเว้นจากปาณาติบาตคือการฆ่า เราสมาทานกุศลธรรมงดเว้นการฆ่าเป็นเหตุพวกเขาจึงเจริญด้วยอายุบุตรของมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุไข่สิบปีจะมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็นยีสิบปีเมื่อมีความเจริญขึ้นให้เห็นต่อมาจึงคิดว่าพวกเราควรทำกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงงดเว้นจัดอธินาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ งดเว้นจากการเมสุมิช า, ชาจาร์การประพฤติผิดในการงดเว้นจากมุสาวาทการพูดเท็จงดเว้นจากปิสุณาวาจาการพูดสอเสียดงดเว้นจากภรุสาวาจาการพูดคำหยาบงดเว้นจากสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจอ้อละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นละพยาบาทความคิดร้ายผู้อื่น ละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมีความเห็นว่าควรละ ร, รมดำสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโลภะและมิจฉาธรรมเกื้อกูลมารดาบิดาสมณะพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะสมทานกุศลธรรมเป็นเหตุพวกเขาจะเจริญด้วยอายุบ้างจะเจริญด้วยวั น, นะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุไขยีสปีจะมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น40ปีบุตรของมนุษย์ที่มีอายุไข40สปีจะมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น80ปีบุตรของมนุษย์แต่ละสมัยอายุจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจนถึงบุตรของมนุษย์ผู้มีอายุไขสี่ห0ื่นปีจะมีอายุไขเพิ่มขึ้นเป็น8ป0 0 0ื่นปี ความอุบัติของพระราชาพระนามว่าสังขะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุไข8 0แปดหมื่นปีจะมีอาพาธสามอย่างคือหนึ่งตัณหาคือความอยากกินสองอนาาัสนะในที่นี้หมายถึงความไม่อยากกินความเฉื่อยชาทางกายของผู้กินอาหารอิ่มแล้วต้องการจะนอนเราะเมาอาหาร 3. ชราคือความแก่เมื่อมนุษย์มีอายุไข 80, ัยแปดหมื่นปีชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรืองประชากรหนาแน่นมากมีคามนิคมราชธานีชั่วไก่บินตกในที่นี้หมายถึงระยะห่างจากบ้านหนึ่งถึงบ้านหนึ่งคำนวณจากการบินของไก่คือในเมืองนี้ไก่สามารถบินจากหลังคาบ้านหลังหนึ่งไปลงหลังคาบ้านหลังหนึ่งได้ซึ่งแสดงว่า มีบ้านเรือนหนาแน่นจนไก่บินถึงกันได้ข้อนี้เทียบกับในอดีตครั้งพุท ธ, ธากาลนั้นแต่ละบ้านจะอยู่ห่างไกลกันพอสมควรนะครับกรุงพาราณสีจะเป็นราชธานีนามว่าเกตุ ม, มตีอันมั่งคัง่งมีคนมากอาหารหาง่ายจะมีพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่าสังขะเป็นพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสีทิศ ปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดหมายเหตุผู้อ่านถ้าจะเป็นไปได้อยากจะให้กลับไปฟังบทความเรื่องคำแนะนำก่อนฟังพระไตรปิฎกนะครับเพื่อจะได้เข้าใจว่าภาษาในพระไตรปิฎกที่สืบทอดมาแต่โบราณนั้นบางส่วนเป็นสำนวน จำนวนต่างๆอาจไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นจริงแต่เป็นสัมนวนให้พอประมาณได้และชื่อเมืองชื่อคนหรืออะไรต่างๆก็ตามอาจจะเพียงเพื่อให้คนในยุคนั้นเข้าใจได้โดยง่ายซึ่งข้อนี้ทำให้บางคนไม่อยากจะเชื่อข้อความในพระไตรปิฎกเพราะมัวแต่ติดเปลือกหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นจึงอยากให้สนใจ ในความหมายของเนื้อความโดยภาพรวมมากกว่าจุดเล็กจุดน้อยที่บางทีอาจเป็นแค่สมมุติบัญญัติหรือเป็นกุสโลบายหรือเป็นสำรวนโบราณเท่านั้นนะครับการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตรยะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์มีอายุไข8 0 0 0ดนปีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตรยะ จากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นในโลกในบัดนี้จากทรงสแสดงธรรมอันมีความงามในเบื้องต้นในท่ากลางในที่สุดประกาศรมจรร a ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าสังฆะผู้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรด ทรงสละบำเพ็ญทานแก่สมณนบพามคนกำพรา้าคนเดินทางว่า น, นิพกและยาจกทั้งหลายสเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมตรายะเท้าเธอผนวดแล้วไม่นานทรงหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานก็สาเร็จเป็นพระอรหันต ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจรหรือโคจรในที่นี้หมายถึงธรรมะที่เป็นอารมณ์กรรมฐานของภิกษุเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจรจกเจริญด้วยอายุวันนะสุขะโภคะ และจักเจริญด้วยพละคือกำลังกรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการงานควรแก่การทำงานงานในที่นี้หมายถึงการทำใจให้หลุดพ้นกรรมฐานจึงหมายถึงการทำสมาธิหรือการสงบใจมีสองลักษณะคือสมถกรรมฐานการทำจิตให้สงบกับวิปัสสนากรรมฐาน การใช้ปัญญาพิจารณากฎธรรมดาเมื่อจิตสงบภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเจริญด้วยอายุด้วยเหตุแห่งการเจริญอิธิบาศสีประการคือคุณให้บรรลุความสำเร็จประกอบด้วย 1. นฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากการประกอบความเพียรซึ่งมีความพอใจอยากจะทำเป็นต้นเหตุหรือเป็นประธาน 2. วิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากการประกอบความเพียรโดยมีความเพียรเป็นต้นเหตุ 3. จิตตะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากการประกอบความเพียรโดยมีความเอาใจจดจ่ออยู่เป็นต้นเหตุ 4. วิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากการประกอบความเพียร โดยมีปัญญาพิจารณาอยู่เป็นต้นเหตุเพราะเจริญทำอิธิบาสีประการนี้ให้มากเมื่อมุ่งหวังเธอจะพึงดำรงชีวิตอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับกับในที่นี้คืออายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้จักเจริญด้วยวันนะด้วยเหตุเพราะเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเผียบพร้อมด้วยอาจระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุขในธรรมวินัยนี้จากเจริญด้วยสุขด้วยเหตุเพราะ 1. สงัดจาักกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สอง 3. บรรลุตติยฌานคือฌานที่สามสบรรลุจตุตถะฌานคือฌานที่สี่ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะเจริญด้วยโพคะด้วยเหตุเพราะภิกษุมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิต แผ่ไปตลอดทั่วทุกทิศแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตอันไพยบูรเป็นมหักะตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้จักเจเริญด้วยพละคือกำลังด้วยเพราะเหตุคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยสมาธิปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมานี้เลยบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้ ก็เพราะสมทานกุศลธรรมเป็นเหตุคำว่ามานในที่นี้หมายถึงกำลังของมานสามประเภทได้แก่เทวปุตตมานมานซึ่งมีตัวตนเป็นอบปฏิกะมานคือเทพบุตรเทวดาที่เกเรคอยขัดขวางไม่ให้คนทำความดีมัจูมานมานคือความตายที่มาขัดขวางเช่น กำลังจเจริญในธรรมขึ้นไปก็มาด่วนตายซะก่อนและกิเลสมารมารคือกิเลสโลภโกรธหลงเป็นมารเพราะขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุผลสำเร็จดีงามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหล จบจักวัติสูตร